มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาปัญจมวัคอุปัชชชาณะปัญหาที่9ถามว่า ผู้ที่จะไปเกิดนั้นรู้หรือไม่ว่าตัวจะไปเกิดอีกราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินธราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสนะข่าแต่พระนาคเสนผู้ประกอบด้วยยาณปรีชาบุคคลที่ว่าจะไปเกิดนั้นรู้ตัวอยู่หรือว่าตัวจะไปบังเกิดนะพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเสนผู้ประเสริฐจิงแก้ว่ามหาราชา ขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐบุคคลที่จะไปเกิดนั้นรู้ตัวอยู่ว่าตัวจะไปเกิดขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงมิลินภูมินธาธิบดีจึงตรัสว่านิมนต์พระผู้เป็นเจ้ากระทำอุปมาไปก่อนฝ่ายพระหน้าเกษรก็ถวายพระพอรอุปมาว่ายะถามหาราชะกะสะโกขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภาร เปรียบปานดุดคฤหะบดีชาวนาวีชานิปัถวิยังปฏิทถาเปตวาวานพืชเข้าเปลือกลงในนาได้ฝนฟ้าชุกช่ำจำเริญไปคฤหะบดีนั้นจะเข้าใจหรือไม่ว่าธั ญ, ญพืชของตนจะมีผลมากณบพิษพระราชสมภารพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าอามะพันเต เออพระผู้เป็นเจ้าคฤหบดีชาวนานั้นถ้านาได้ฟ้าได้ฝนแล้วก็รู้ว่าจะได้ผลมากสิพระผู้เป็นเจ้าพระนาเกษเถวายพระพรว่าฉันใดเล่าความนี้ก็เหมือนกันเมื่อตัวบุคคลนั้นจะไปเกิดก็รู้ตัวว่าจะไปเกิดข้างหน้าเหมือนคฤหบดีชาวนารู้ว่าจะได้ผลขอถวายพระพร พระเจ้ากรุงมิลินปิ่นประชากรได้ทรงฟังมีพระบวรราชฮาลุทยโสมานตรัสว่ากันโลสิพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนานี้สมควรแล้วอุปัชชะชาณนนะปัญหาเป็นคำรบก้าวจบเท่านี้